ในประเทศไทยของเราเนี่ยมันมีมีมมมพุทธสองประเภทเขารพูดใสกับพุทธศาสตร์พุทธใสก็หมายความว่าอย่างที่เราเห็นตามประเพณีของวัดโทภภั่วไปทำวัดสวดมนต์เย็นซะหน่อยหนึ่งนอกนั้นก็ทำกิจกรรมต่างๆสงเคราะห์ชาวบ้านเสียเคราะห์เสระโชคให้หวยให้เบอร์ให้คาถาแจกเครื่องรังของขัง อะไรต่างเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นประเพณีเป็นผู้ใส่เราอยู่ด้วยกันมาอย่างนั้น่ะหลายศตรวตรรษต่อมาเมื่อมีการผู้บรรลุธรรมเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็เลยเอาธรรมะขั้นภาวนาวิปัสสนาเนี่ยมาเผยแพร่ก็มีการนําเอาความรู้ที่ได้บรรลุธรรมเนี่ยมาเผยแพร่ต่อสังคมก็กลายเป็นพุทศาสตร์ขึ้นมาพุทธศาสนาแท้ คือหมายถึงเข้าสู่สภาวะที่เป็นปรมาจิตมากขึ้นแก้ไขปัญหาตรงจุดมากขึ้นแล้วก็เข้าสู่สภาวะธรรมขั้นสูงขึ้นระดับอริยบุคคลเกิดมากขึ้นนี่เขาเรียกพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์แต่พุทธใสายก็คือตามประเพณีขนมรมเนียมตามวัดต่างๆซึ่งมีถึง 90% อร์เซนตในสังคมไทยเราซึ่งแก้ปัญหาอะไรไม่ได้แต่สร้างปัญหามากมายวัดกกลายเป็นแหล่งมั่วซุมแหล่งอะไรต่ออะไรไปอย่างที่เราเห็น วัดก็เริ่มล้างวัดประเภทนั้นก็เริ่มล้างมีแต่หลวงปู่หลวงตามีแต่พระเจ็บเจ็บป่วยป่ยรักษาวัดอยู่ใช่ไหมวัดโซโซซุมๆมันก็จะไปไม่รอดพุทธใสนะ่ะเพราะว่าสังคมสมัยใหม่เขาต้องการเหตุต้องการผลต้องการความจริง <c oughs> ต้องการวิธีแก้แก้ปัญหาแต่ใ น, นเมื่อทางพุทธใส่นี่แก้ปัญหาแบบเป่าน้ำมนตพ่นน้ำหมาก้วก็แก้เคราะสะดะโชคอะนี้นู่นหมดสมัยแล้ว นะสมัยพ่อแม่ปุญาตยาใหญ่เราเพราะสมัยนี้เด็กสมัยนี้เขาเ อ, อาศัยวิธีาการนั้นไม่ได้อาศัยที่เป็นเป็นเหตุเป็นผลเป็นวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้แต่ถ้าหาอะไรเป็นเรื่องสา ย, ยาศาสตร์งม ง, ง, งายอยู่เนี่ยมันก็หมดสมัยไปวัดก็จะอยู่ไม่ได้ <c oughs> อีกหน่อยทางวัดต่างๆก็เหมือนประเทศจีนนะกลายเป็นสูงด้านธรรมกลายเป็นที่แหล่งท่องเที่ยวกลายเป็นอที่อ อ, อะไรวิพยาพันธ์ไป กระจังหมู่บ้านไปวัดพุทธศาสตร์อย่างเราทําเนี่ยก ร, กระจายไปตามวัดตามช่องตามอาสมตามสานักปฏิบัติเล็กๆไปกระจายไปทั่วประเทศแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาก็เอาวัดไปไว้ในบ้านสมมติวิญญาณมาทั้งสองคนทั้งสามีภรรยาต่อไปทั้งสามีภรรยาก็อย่างคุณราชานันคุณไต่เนี่ยเขาก็ดัดแปลงบ้านเป็นวัดได้เป็นสนักปฏิบัติเป็นอ่าเป็นพระแต่ว่าเป็นเครือข่ายแต่เป็นพระ พระไหว้พระสดมนฟังธรรมแบบนี้แบบญี่ปุ่น <c oughs> เขาเรียกวัดเซนนะฮะเขากระจายมากขึ้นนะเราไปย ม, มนคนอื่นๆในที่นี้เกิดเข้าใจธรรมะเห็นธรรมะขึ้นมาอยากจะทําบ้านตนัวเองเป็นสถานธรรมก็ปรับที่บ้านได้อย่างนี้เขาเรียกพุทธศาสตร์ก็เกิดขึ้นกระจายเพราะฉะนั้นมันมีการพัฒนามันไม่ใช่ดีใช่เสียนะแต่มันวิวัฒนาการของศาสนาเพราะนั้นอันนี้ก็กลืนช่วงเช้าวันนี้ให้เห็นว่าเออทําไมเป็นอย่างนั้นนะ ก็เราต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ด้วยนะเราจะไม่ว่าท่านดีท่านเสียท่านทำถูกทําผิดไม่ได้เพราะเป็นการวิวัฒนาการของสังคมที่จะต้องเป็นไปอย่างนั้นเราต้องเข้าใจนะ น, นั้นในช่วงเช้าวันนี้สิ่งที่จะต้องปฏิบัติวันนี้จําได้ไหมวันแรกหลวงพ่อให้ให้ไปแยกระหว่างอะไรความคิดกับความรู้สึกตัวทำได้สําเร็จบ้างไหม อเออนี่ความคิดมาแล้วนะเออตอนนี้ฉันอยู่กับความรู้สึกตัวพอความคิดเข้ามาตอนไหนรู้วอาโอตอนที่ความคิดมาแล้วนะเห็นสองอย่างนี้ชัดไหมวันแรกหลวงพ่อให้เรื่องนี้ไปนะวันที่สองเ ม, มื่อ ว, วานนี้ให้ไปดูอะไรจำได้ไหมจำจาไม่ได้แล้วถ้าเมื่อวานนี้ให้ไปดูอะไร ให้ไปดูนิวรนใช่ไหมว่าความม่วงความเหงาความเบื่อความเสงความขี้เกียจความออึดอัดพวกเนี้ยกับความรู้สึกตัวเนี่ยต่างกันยังไงระหว่างความรู้สึกอย่างนั้น่ะความรู้สึกที่เป็นนิวรนอึดอัดขัดเครื่องความเบื่อความขี้เกียจกับความรู้สึกตัวล้วนๆเนี่ยต่างกันไหมให้ไปดูเมื่อวานใครบางเห็นชัดบ้างเมื่อวาน เรามาเปรียบเสมือนน้ำขุนกับน้ำใสใช่ไหมว่าในน้ำขุนมีน้ำใสอยู่ในน้ำใสนั้นมีน้ำขุนอยู่โยงจะไปแยกระหว่างน้ำขุนน้ำใสจากกันได้อย่างไรที่ให้ไปเมื่อวานเนี่ยใครไปลองไปแยกดูบ้างเพราะความรู้สึกตัวล้วนๆหรือความรู้สึกสบายไม่สบายคนรู้สึกชอบไม่ชอบความรู้สึกหุดกิดเบื่อเซง่วงเนี่ยกับความรู้สึกตัวล้วนๆเนี่ยความรู้สึกตัวล้วนเหมือนน้ำใสความรู้สึกพี่เป็นนิวร์เน่ยเหมือนน้ำขุน เ่วานให้ไปแยกสองสีงเนี่ยไม่ทราบว่าใครทําได้ยัยใครทําได้ปะ่ะไม่ชีทําได้บ้างมื่อวานไม่คยชัดเลย <laughs> มั่วๆไปใช่ไหมเพราะอากาศมันมันร้อนใช่ไหแล้วก็เลย น, นี่วรมันแรงกว่านีวอนมันแรงกว่า น, น้ํนนาขุ่นมันก็เยอะกว่าใช่ไหมมองหาน้ําใสไม่ค่อยเจอเลยอันนี้คือการการจัดอบรมหน้าแรงหน้าร้อนมันจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะบรรยากาศมันไม่ช่วย เอามีทั้งหลายตัวยังไม่ค่อยเย็นเลยใช่ไหมใช้พ่นลมช่วยอีกสองสามตัวมันก็ยังไม่ค่อยช่วยเลย น, นี้คือเพราะนั้นหน้าแหลงเนี่ยมาไม่ค่อยจัดที่ประเทศไทยมาไปจัดทางยุโรปเทรมิกาเพราะอากาศมันสบายแต่เที่ยวนี้มาแล้วเขาอยากจะจัดกันก็ต้องอต้องโอเคนะหาเวลาจัดยากไม่แต่นาลอนค่อยสู้แต่ทางนี้ทางไม่สอดถือว่าดีแล้วนะอากาศอย่างนี้นะทางทั้งที่แพร่ทางลําปางหนักกว่านี้อีกเพราะว่าบรรยากาศ มันเป็นป่าเป็นเขามันน้อยนะก็มาปีนี้มาก็เลยไปได้ที่ใหม่ที่ว่าทำราตรีคืนเะนี่ยอ้บรรยากาศที่นั่นทำกันทั้งวันสบายมากกว่าอากาศในถ้ำเย็นแล้วก็อากาศในหุบเขาไม่ร้อนนะแต่ร้อนเมื่อไหร่แค่ลงน้ําก็เป็นไข้ละน้ําเย็นจนกระทั่งมันเป็นน้ำแข็งอ่ะน้ำในห้วยเพราะมันออกมาจากภูเขาออกจากถ้ำลึกอือเพราะนั้นเอง จำได้ไหมวันแรกให้หลวงพ่อไปแยกระหว่างความคิดกับความอะไรความรู้สึกตัวใช่ไหมบทเรียนที่หนึ่งบทเรียนที่สองให้ไปแยกระหว่างความรู้สึกตัวกับนิวรต่างๆนิวรณมีอะไรบ้างความขี้เกียจความเบื่อความเงาความหงุดหงิดความฟุ้งซ่านความรังเลใช่ไหมมีใช่ไหมพวกนี้มีตลอดเลยมีเยอะเลยใช่ไหม มีเยอะด้วยแล้วเห็นมันม้ยหรือมั่วกับมันหน้ามืดตาลายหมุนมองไม่เห็นอะไรเลยก็ค <c> ง <oughs> จะหนักหน่วงเอาการนั่นนะอันนี้เมื่อวานนะแต่ว่าใครจะเห็นจะเห็นใครจะรู้จะรู้หรือเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็าตามก็ถือว่านั่นคือบทเรียนที่จะต้องศึกษาแล้ววันนี้เราจะศึกษาเรื่องอะไรวันนี้เป็นวันที่สามละเราจะศึกษาเรื่องให้ไปดูว่า ระหว่างความรู้สึกตัวกับความคิดเนี่ยอันไหนมันเกิดก่อนทุกๆนาทีทุกๆเวลานาทีไอความรู้สึกสองตัวเนี่ยอันไหนมันมาก่อนพอจะไปแยกได้คือก็ไม่หนีหลักการนนะอันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามันแยกย่อยมาเรื่อยๆวันแรกให้ไปดูความรู้สึกกับความคิดหลักๆใช่ไมแต่ความคิดเข้ามานะเออนี่ความรู้สึกตัวนะ หรื อ, อ น, นี่มีความคิดตอนนี้มีความคิดไห ม, มไม่ค่อยมีใช่ไหมแต่ความรู้สึกมันจะเด่นกว่าความรู้สึกสบายเพราะอะไรบรรยากาศมันช่วยช่วงเช้ามันไม่ร้อนใช่ไหมเพราะนัไอ้บรรยากาศที่จะไปบีบคั้นให้เราคิดเท่าหุนมัวเศร้ามองเรื่องไม่ค่อยมีใช่ไหมอีกอย่างเราเพิ่งตื่นมายังไม่มีอะไรมารุมเร้าให้คิดมากช่วงเช้ารู้สึกสบสบายอยู่เพราะฉะนั้นความรู้สึกมันก็เด่นใช่ไหมควรู้สึกตัวที่ถูกต้องคือความเบาโปร่งสบาย สงบนี่ความรู้สึกตัวที่ที่เราสัมผัสได้แต่พอสส่ๆหน่อยเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาความรู้สึกตัวเราเป็นไงเริ่มบางไปแต่ความรู้สึกเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาเริ่มหนาขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวเรื่องนั้นเข้ามาเรื่องนี้เข้ามาเร่อนี้เข้ามาเรื่อยๆทันสังเกตไหมให้สังเกตเรื่อยๆว่าเหมือนเราเอาน้ํามาตั้งไว้แก้วหนึ่งเนี่ยตอนแรกตอนที่วางไว้เนี่ยมันยังไม่มีอะไรน้ําใสๆสักพักมาดูมันเริ่มมี ฝุ่นเม็ดเล็กๆมีผงเม็ดเล็กๆมีอะไรตกลงไปเรื่องมีมากขึ้นใช่ไหมถ้ามีลมมีฝนมีอะไรปีวัอนเนี่ยมันก็เริ่มสิ่งนี้ตกลงในแก้วมากขึ้นแต่ถ้ากว่าเราอยากจะให้น้ําในแก้วที่ตั้งอยู่ไม่ได้รับสิ่งเหล่านี้เลยไม่รับฝุ่นรับผงรับใบไม้รับขยะเข้าไปเลยเนี่ยเราจะทําอย่างไรดแง่ของรูปธรรมนึกออกไหม ฮัลโหลได้ยินคุณครับหรือเปล่ปะ<ม>ตานิงงน่งๆกันยัะไม่ตอบสนองเลยไ <c> ม <oughs> ่ครูชัดนึกออกไม่ว่าเราจะทำไงไม่ให้น้ำมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสีเปลี่ยนกลิ่ น, นเปลี่ยนรสทำไงไม่ให้นเข้าหรือจค่ะฮะไม่ให้ทนเข้าหือจค่ะเออไม่ให้นเข้าง่ายๆใช่ไหมฝาตอนนี้มีฝาเลยยังฝาคืออะไรใช่ั้มไอ้ฝาปิดแก้วเนี่ยหาง่ายนะ แต่ฝาปิดใจเป็นไ ง, ไ ม, ไ, งไม่รู้จะทำไงอ่าไม่รู้จะทำไงฝาปิดใจคืออะไรสติและสัมปชัญญะโดยการเอ๊ะทำไมเปิดไอโคเลยปิดไอโค่ห้นะนะฝาปิดใจคืออะไรคือ <c oughs> ความรู้สึกตัวทั่วพร้อม <c oughs> ความรู้สึกตัวยังไม่ทั่วไม่พร้อมทั่วพร้อมด้วยรู้รู้แล้วมันเหมือ น, ม, นมันจะตามคิดต่อเนี่บ เพราะนั้นจะได้รู้สึกแต่ว่าไม่ทั่วพร้อมรู้สึกตัวแต่ไม่ทั่วพร้อมหมายถึงว่าความรู้สึกที่มันจะทั่วพร้อมมันจะต้องไปเห็นความรู้สึกตัวในตัวของเราขณะ น, นี้มีความรู้สึกอะไรบ้างพอจะลาดับได้ไหมไ่ใครจะตอบได้ไอ้หนูนขณะเ น, น, นี่ยความรู้สึกตัวในขณะ น, นี้มีอะไรบ้างเห็นใช่เห็นในความตัวเองมีความรู้สึกอะไรบ้าง ยกมือเอ้ามียกมืออย่างเดียวหรอกำลังนั่งอนั่ ง, ง, งนั่งแล้วรู้สึกเป็นไงในขณะในยืนบนั่งรู้สึกยังไงรูมชาเู้มชาริ่มหนักใช่ไหมเ<า>ย็นล้วนอนแ ข, ข็งเคร่งตึงมีไหมนั่นแหละการเข้าไปรู้อาการเหล่านั้นชัดๆเรียว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมให้เห็นอาการทุกอย่างนั่งหลัง ง, งอเป็นไงหนักไหมเวลาดัดหลังขึ้นนิดเป็นไงสบายกว่าไหมนี่แหละคือการปรับอะไรที่มัน ไม่สบายเนี่ยปรับให้มันสบายขึ้นเนี่ยนั่นคือเรื่อความรู้สึกดูทุกขพร้อมความรู้สึกไม่สบายเนี่ยมีใครชอบมองไหมไม่มีใช่ไหมแล้วทํำไมไปแช่กับมันบางครั้งแช่มันจนชาใช่ไหมเอาไปแช่มันทําไมเพราะความรู้สึกดูทุกขพร้อมเราไม่มีเราต้อ ง, ง, องการความสบายใช่ไหมความปกติปก ต, ปกติคือมันสบายก็ไม่ใช่ไม่สบายก็ไม่ใช่แต่ว่ามันสบายตรงที่ว่ามันทนได้นั่นปกติสบายเกินไปคือไปนอนใช่ไหม ในสบายเกินไปอ่าแต่นั่ ง, งจนบางทีบางทีเหตุการณ์มัเกิดขึ้นหลายอย่างมีทั้งคี้มีทั้งแค็ที่หนักอ่าเพราะอะไรเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นโยมจะไปทานน้ําแก้วนั้นเนี่ยเห็นขยะเห็นมูลฝอยเห็นผงอยู่ในแก้วเนี่ยโยมจะกยกดื่มเลยได้ไหมไม่ได้อ่าทำไมอะพราะรู้ว่ามันไม่ควรดื่มเพราะมัน <พอ S 1> ไม่ปลอดอภยัยครับ ฉันใดก็ดีความรู้สึกที่โยมนั่งท่าแล้วเกิดเจ็บเกิดชาเกิดปวดเกิด ก, ด ก, ดดกด็มันเหมือ น, น, น, นขยะ ต, ตกไปในลูกความทางกายของเราอะ่ะเราจะหยิบออกก่อนได้ไหมก่อนที่จะไปเสพมันน่ะใช่ทําไงก็โยมนั่งแช่ทั้งนานไม่เห็นทําเลยเพราะอะไร น, นั่นคือน้ำ ม, มาทำเรายังไม่คุ้นกับเพราะว่านา้ำทำเราถึงทําไม่ถูกไงจะพูดถึงแล้วว่าในแก้วน้ํามันไม่สะอาดเราทาถูกใช่ไหมอาจจะร่างกายของเราแปดเพื่อนด้วยความรู้สึกไม่สบายต่างๆ มันก็ไม่ถึงกับเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมแต่มันละเอียดกว่าเราไม่มีประสบการณ์เราไม่ได้ฝึกมาก่อนลักษณะความไม่สบายกายก็เหมือนขยะฝุ่นผงที่ตกไปในกายเราเราก็ไม่ค่อยปรับออกเพราะว่าเราเอาสงใจไปที่ไหนส่งใจไปข้างนอกเลยไม่ใส่ใจในสิ่งที่กาลังเกิดขึ้นนี่ไงที่บอกว่าให้ไปดูการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของอะไรของอะไร ของทุ ก, กขก์สิ่งที่เกิดขึ้นในกายตลอดเวลาคือความไม่สบายคือความทุกข์มันมีนหลายอย่างเกิดขึ้นในร่างกายตอนนี้คิดถึงลูกหลานก็มีอ่ า, อาเห็นไหมคิดถึงลูกหลานก็มีเออลูกคูณทำไมไม่มาเนอะเออลูกคุอยู่บ้านไปไงว่างนะพ่อไม่อยู่ไม่จะโซนมันหรือเปล่ามันคิดไปตรงนู้นเลยใช่ไหมมันก็เลยลืมตัวนี้ใช่ไหมนั่นเนี่ยเขาเรียกว่าคุณไปกินใบไม้กินฝุ่นเกินผงแทนน้ำสะอาดห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้เพราะว่าตาอยังนไม่เอื้อไงมันมองไม่เห็นไงยกดื่มเลย ไม่รู้ในแก้วมีอะไรบ้างไม่ได้ดูเพรตายไม่เกิดทำมาจากสุขเราขจัดทุกทุกอย่างที่เราคิดไม่ใช่ขจักให้รู้จักทุกอย่างคุณไปเห็นในน้ํามันในแก้วในน้ํามันสโกคุณไม่ใช่เททิ้งทั้งแก้วนะคุณต้องทําไงก่อนที่จะดื่มได้ค่อ ห, หยิบมันออกค่เอาไปกรองใช่ไหมถ้าคุณเทน้ําทิ้งในแก้วคุณได้กินน้ำไหม บังเอิญในที่นั้นมันมีน้ําแค่แก้วเดี๋ยวไม่มีน้าที่อื่นเลยนะคุณเททิ้งคุณก็ไม่ได้กินนะคุณก็ต้องเอาน้นไปชําระไปกรองไปให้มันสาดขึ้นใช่ไหมเหมือนกันในกายนี้เหมือนน้าแก้วหนึ่งมันมีทั้งความรู้สึกสบายและไม่สบายเราสมมุติความรู้สึกไม่สบายมันเป็นขยะมูลฝอยที่ตกลงไปในแก้วสมมุติความรู้สึกที่สบายเหมือนความรู้สึกสบายใสๆใช่ไหมมันมีส่วนความรู้สึกแค่นั้นแหละสบายและไม่สบายแต่ว่าส่วนใหญ่เราเผลอเราไม่ได้จะดู เพราะธรรมาจากสุยังไม่เกิดธรรมาจากสุเกิดมันจะมองกลับเข้ามาแต่ธรรมาจากสุไม่เกิดมันจะมองออกข้างนอกมันจะไปนในความคิดมันจะนึกถึงลูกถึงล้านถึงพ่อถึงแม่ถึงผัวถึงเมีย ถ, ถึงกิจการมันจะมองออกไปข้างนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นขณะ น, นี้ทั้งอยู่ดับไปเนี่ยมันจะไม่ยอมมองเข้ามาเพราะธรรมาจากสุยังไม่เกิด <c oughs> แต่เกิดบ้างเกิดนิดๆพอเผลอก็หลับตอ้ยเนี่ นรื่องโยมคนนี้อยากเปลี่ยนเนี่ยเนื้อสารนรู้ว่าอยากจะเปลี่ยนก่อนอ่าเรื่องอมันก็ไม่แต่ทำได้ตลอดเวลาไหมไม่ได้นานเห็นไหมแล้วรู้ว่าหนักน่วงทวมทับไม่สบายเนี่ยรู้อยู่นะแต่บางครั้งเราก็นึกได้บางครั้งเราก็นึกไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าตัวสติที่เรากําลังเจริญสติที่เรากําลังทําเนี่ยมันยังไม่เป็นลูกโซ่ยังไม่ต่อเนื่องมันขาดขาดให้หายทําได้ด้อ่าทําได้คือหมายความว่าทำได้เป็นพัก ช่วงไหนที่มันลึกๆได้ก็เออขยับมาหน่อยช่วงไหนลึกๆมันได้วก็ขาเราคลอมลงคลอมลงขาเราช้าขึ้นช้าขึ้นแต่ใจอยู่อยู่ไหนมันด้ย ใ, ใจมันได้อยู่ที่นี่นะนึกถึงบ้านถึงช่องถึงการถึงงานถึงอนี่ถึงสินถึงเรื่องถึงราวอะไรนะต่างที่มันเกิดไปนั่นแหละนั่นเขาเรียกว่าเราดูออกละวหมายความว่าเราดูออกไปข้างนอกลแล้วไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นขนาด น, นี้เราไม่ยอมดูโทษใครได้ไหมไม่ได้ ต้องโทษเราที่สติสมัมปชัญญะยังไม่เข้มแข็งพอดังนั้นในช่วงที่ปฏิบัติหลวงพ่อจึงเน้นว่าให้ฝึกในการปรับเปลี่ยนอียาบทเล็กๆน้อยๆเปลี่ยนไปสังเกตไปเปลี่ยนไปสังเกตไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้หวังว่ามันจะเกิดสบายหรือไม่สบายแต่ให้ได้เห็นให้การเปลี่ยนแปลงที่เต็มไปด้วยเจตนาและความตั้งใจแต่ถ้ามันเปลี่ยนแปลงเองซึ่งได้กล่าวไปวันก่อนว่า ความไม่สบายในกายระหว่างที่เราเปลี่ยนแปลงเองกับการเจตนาเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีผลต่างกันไหมต่างกันถ้ามันเปลี่ยนแปลงเองเนี่ยโดยสมมติรู้สึกไม่สบายเราก็ลุกไปเลยเปลี่ยนแปลงกันลุกขึ้นเดินไปนี่คือการเปลี่ยนแปลงชนิดหนึ่งใช่ไหมผลเกิดขึ้นคืออะไรลักษณะการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้อามารู้สึกตัวไม่ในการลุกขึ้นอ่ะไม่รู้ไม่รู้สิ่งที่ตามมาคืออะไรลืมไปแล้ว น้นหลายคำเราแต่จำไม่ได้สันเจตยานความเคยชินถามว่าความรู้สึกหนักหน่วงนหายไปไห ม, มหายแต่ว่าเราได้ปัญญาไหมไม่ได้เ<ม>พราะเราเปลี่ยนแปลงโดยดสันเจตยานอ่ะแต่ที่นี่มาทำใหม่เออขณะที่มาพูดมาก็ดูความหนักหน่วงดูนี้ไปเรื่อยๆนะ ร, รู้สึกมันหนักไปเลยหนักหนักหนักหนักหนักหนักไปเรื่อยๆแล้วเราก็ขยับนิดนึ่ง อ่าตอนแรกขยับแค่นี้มันก็บอลละใช่ไหมเ <Okay. S 1> อาเขาต่อไปอีกยังไม่ต้องเปลี่ยนใหญ่แค่ให้รู้แล้วขายับให้มันสบายแค่นั้นแหลพะพอเปลี่ยนหลายขั้นตัวหลายครัง้งเอมันชักไม่ออกหมดเอามาก็ขยับใหญ่สักขั้นหนึ่งที่เรกเปลี่ยนอีบุตรด้วยด้วยความตามรู้อย่างต่อเนื่องและเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะและเจตนาตรงนี้เรียกว่าตัวการเปลี่ยนแปลงนี้กอให้เกิดอะไรปัญญา เพาะตัวรู้เป็นตัวสื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อกี่เราเปลี่ยนแปลงด้วยความไม่ ร, รู้ด้วยความอาวิชาที่ความเคยชินแค่นี้เองเพราะฉะนั้นการแยกระหว่างความรู้สึกกับความคิดความรู้สึกกับนิวรณ์และความรู้สึกระหว่างคิดกับไม่คิดมันก็อันเดียวกระทั้งนั้นแต่เพียงแยกให้เห็นสภาวะให้ชัดเท่านั้นเอง แต่ทั้งหมดทั้งปวงขึ้นอยู่กับอะไรความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่เราจะต้องฝึกเพราะนั้นในช่วงกำลังยกมือเนี่ยเราเป็นเสมือนไฟที่ส่องดูว่าอะไรกาลังเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่ยกมือแล้วนั่งหลับตานั่งซึมกระทือสงบเนี่ยสติสัมผัสจะเข้มแข็งได้ไหมไม่ได้มันจะเข้มแข็งแต่สมาธิและสมาธิมันเป็นลักษณะที่นิ่ง ดับตานิ่งแล้วมันไม่รู้อะไรรู้แต่ความชื่อชื่อสบายสบายแต่มันไม่เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นสมถะจึงไม่ไม่ทําให้เกิดปัญญาเกิดความสงบได้แต่ไม่เกิดปัญญาเพราะนั้นการยกมือตลอดเนี่ยยมเคยเห็นไหมเวลาไปสนามบินเนี่ยมันจะมีอะไรนะหมุนตลอดเวลาหอเรดาร์มันอะใช่ไหมจานเรดาร์ทไให้มัหมุนตลอดเวลามันเคยอยู่เลยนะยีิบสี่ชั่วโมงเพราะอะไร เพราะว่าตราบใดที่มันหมุนอยู่เนี่ยไอ้โมเนเตอร์ที่มันจะเรดาร์แรงของเรดาร์ที่มันจะส่งออกไปจับสิ่งที่เข้ามาผ่านเข้ามาในวงจรทังหมดมันจะเห็นตลอดเวลาแล้วผลมึ่อจะไปรายงานที่หน้าคอมเจ้าหน้าที่ก็จะไปนั่งตรวจอยู่หน้ามอนเตอร์หน้าคมใช่ไหมว่าขณะนี้มีเครื่องอะไรเข้ามาเครื่องกลาเครื่องเขาเครื่องศัตรูเครื่องมิรเครื่องของโดยสารหรือเครื่องของส่วนตัวเครื่องของทหารตำรวจหรือเครื่องของพลเรือนหรือเครื่องบินพาณิชย์ เข้ามาตอนไหนไมันจะเห็นหมดใช่ไหมเขาก็จะรายงานเออที่นี่เครื่องของเครื่องบินพาณิเข้านะเออที่นี่เครื่องบินอ่า น, น, นเข้านะเขาก็จะจัดการพื้นดินว่าเออจะคนเจยเตรียมรับอย่างไรชั้นใดก็ดีการที่เรายกมืออย่างรู้สึกตัวเนี่ยมันเหมือนกับจานเรด้าที่หมุนตลอดเวลาแล้วเครื่องบินเปรี่ยนเสมือนรูปเสียงกลิน่นรสสัมผัสอารมณ์ที่มันจอดเข้ามาจากข้างนอกเนี่ยเข้ามากระทบตลอดเวลา มันก็จะรายงานสมมติว่าขนาดนี้คุณได้ยินเสียงไหมเสียงนกนอกจากเสียงน ก, กเสียงใครอีกเสียงวงพ่อพูดเสียงงพ่อพูดดังกว่านกอีกคุณจะไปยินเสียงนกนไม่ได้ยินเสียงพ่อ <c oughs> ใช่ไหมเ <c oughs> นี่ยคุณไเล่ลลด้างคุณส่งไปโน้นก่อน <c oughs> <c oughs> แต่ไอ้เครื่องที่มาใกล้ๆคุณคุณเก็บมองไม่เห็ น, นใช่เ <c oughs> นี่ยคือง่ายๆไม่ใช่เป็นเรื่องซับซ้อนอะไรเลยใช่ไหตาคุณมองเห็นใช่ไหม <c oughs> ตอนนี้มองเห็นอะไรการมันเกิดขึ้นอย่างไม่ใช่สอย่างหกอย่าง ตอนนี้โนกลลวงพ่อพอ่อาใช่ต่หูที่ยินต่างกายคุณหนักนะมีอยู่ใช่ไห ม, มอ่อไหนท่าไปมองไม่เห็นน่ะมันมันไม่น่ะมันไม่รู้คุณรู้แค่แค่ส อ, อย่า ง, งรู้ทีเดียวหลายหอย่างก็ได้หกอย่างจิตของเรามีความสามารถรู้ทีเดียวได้หกอย่างมีหกมิติแต่ในโลกวัตถุเขาค้นได้แค่สามมิติแต่ผู้ที่จะค้นพบในในจั ก, กรวาลที่หกมิติได้กัน วิธีนามาทำด้วยตาหูจมูกลิ้นกายทางวัตถุทั้งโลกแล้วค้นอย่างสูงสุดไม่เกินห้ามิติบางทีอันนั้นมันก็เกิดก่อนอนะเราบางทีคิดว่าเรมเราทำมาที่แรกแต่รู้ทีหลังอนะไรอเงี้ยอันนั้นเขาเรียกว่าเราลืมตัวเมืเมม่อหตุการรอบตัวเรามีเยอ ะ, อะแยะอ่ะาเขาเพราะว่าสติเรายัางไม่พอไงเพราะอะไรดางคุณหมุนบ้างไม่หมุนบ้างบ <laughs> <laughs> างครั้งหมุนไปหยุดเฉยเลยอ่ะนึกขึ้นได้อาหมุนต่อเฉย อ๋พอพอเผอหยุดกึ๊กอีแล้วในช่วงหยุดเนี่ยมันไม่รายงานผลอะไรเลยอะ่ะคุณลืมไปเลยมืดเลยถ้าสนามบินไหนเป็นอย่างนงั้นเนี่ยโอ้โหเจ้าหน้าที่ไปเลยได้นในถูกปลดออกจากงานเลยนะคุณไม่ใช่ธรรมดาดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องรูปบุญธรรมที่ชัดเจนไม่มีอะไรซับซ้อนแต่เนื่องจากว่าเรายังไม่คุ้นเข้าใจไหมเรายังไม่มีประสบ ก, การณ์ในด้านนี้พเพราะด็อร์เรียนกี่จบกี่ปริญาก็ไม่สามารถจะรู้เรื่องนี้ได้ เพราะว่าผู้ทีเจ้าท่านเรียนจบอี่ปริยญารู้มสิบแปดปริยาแล้วท่านยังทิ้งหมดเลยแล้วเรื่องนี้เราจะไปเสียเวลาเรียนปริยาตีโวเองให้เสียเวลาทำทำไมไม่เรียนตัวเองเนี่ยมันมีที่สิ่งที่น่าเรียนมโหมากมายมหาศาลพอเอามารู้เรื่องนี้แล้วเอามาตอนนั้นเรียนอยู่มหาลัยปีสองนีเอามาเวลาหลวงพ่อเรียนหลวงพ่อผมไม่เรียนต่อแล้วผมเอาแค่นี้พอละจะเรียนเรื่องนี้เรื่องเดียวยืเราให้ฟังเมื่อวานน่ะหลวงพ่อบอกว่าไปเรียนให้จบซะ อย่างน้อยคุณได้ปริยามาก็เป็นญาณกันผีเป็นญาณกันหมาได้ยิง <c oughs> ไปเรียนให้จบเป็นเนท้าผัานตาเอเพราะฉะนั้นเ อ, อความรู้ที่พระเจ้าท่านเรียนเราเป็นความรู้ข้างนอกทั้งหมด <c oughs> เสียเวลาเรียนอะให้มาเรียนรู้ความรู้ในตัวเองเนี่ยความรู้ในข้างนอกคุณเรียนไม่เกินสามมิติสี่มิติอย่างมากเดี๋ยวนี้มิติที่สี่ก็ยังคุ้นไม่คอยพูดมั้งแต่พระพุทธเจ้าค้นไปแล้วหกมิติจบแค่นั้นนะรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังเป็น5มิติอยู่ใช่ไหมแต่อีกมิติหนึ่งที่คนหนค้คนพบแล้วเป็นอริยะคือมิติแห่งญาณปัญญาแต่ดังสมถะในคนพบแค่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ญาณปัญญาคนที่เป็นอริยะเท่านั้นจะรู้เป็นหกมิติอริยะขั้นที่1คนได้มิติที่ 6- กแค่ยี สกิทาคามีคนมิติที่หกแค่ห้าสิบเปอร์เซนอนาคามีคนมิติที่หกได้แค่เจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นแต่พระอรหันต์คนได้ถึงครบเลยหกมิติร้อยเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่ละเอียดอ่อน e แต่ว่าไม่ต้องไปไกลถึงขนาดนั้นนะวันนี้เอาแค่อะไรขอทบทวนคําคําถามอีกทีนึงว่าวันนี้เราจะศึกษาอะไรฮะศึกษาอะไรลืมไปแล้วเห็นไหมผมพ่อไม่ต้องไปไกลแค่เนี้ย วันนี้หลวงพ่อให้ศึกษาเลยความรู้สึกตัวกับความคิดอันไหนมาก่อนระหว่างความรู้สึกตัวกับความคิดคแล้วใครเป็นเจ้าของบ้านระหว่างความรู้สึกตัวกับความคิดใ ค, ใครเป็นเจ้าของบ้านใจไม่ได้ถามสติใจถามว่าความคิดกับความรู้สึกตัวเนี่ยใครเป็นเจ้าของบ้านใครเป็นแข่ แค่นี้คุณก็งงล้วอยู่กับมันตลอดเวลานะจำหน้ามันไม่ได้เลยเ <c oughs> มื่อวานบอกแล้วว่าเราเกิดมาจากท้องแม่ถ้าเราไม่รู้สึกตัวนี่หมอทำไงนะตบ <c oughs> ใช่ไหมตบก้อนอย่างแรงเพราตบก้นแรงแรงเราร้องออกมาว่าไงนะ <c oughs> เอาแววเอาแวอาวอุแหววฉันรู้สึกตัวแล้วฉันรู้สึกตัวแล้วขนาดเราไม่รู้สึกหมอยังตบให้รู้สึกเลยและ เอาแวนแรกตั้งแต่ตั้งนั้นถึงบัตรนี้เราอยู่รู้สึกอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครเป็นเจ้าของบ้านตัวจริงความรู้สึกตัวความคิดเป็นแขกพุทธิยาตรัสววาอย่างนี้ว่าอาปพัสระมิทังจิตตังอาคันตุเก เ, เสหิอุปกิริถังความรู้สึกเดิมแท้นใสสะอาดบริสุทธิ์แต่เมื่อมีอุปกิเลสคือแขกจอนมา เข้ามาจิตนี้จริงเศร้าหมองไปด้วยแขกตนคนนั้นใช่ไหมท่านบอกว่าเมื่อบุคคลผู้ใดได้มาเจริญญาปัญญาได้มาเจริญสติจนเกิดญาณปัญญาแล้วสติญาณปัญญาตัวนี้จะไปต้อนรับแขกเองแขกที่มาในบ้านโดยที่เราไม่เจอเราเราไม่ต้อนรับเนี่ยมีปัญหาไหม แขกเข้ามาในบ้านยมในเวลายามวิกาล ม, มีปัญหาไหมมีปัญหามีปัญหาหรือเข้ามาในกลางวันแต่ว่าเราไม่อยู่บ้านมีปัญหาไหมไม่ใช่ปกติแล้วใช่ไหมเราเรียกแขกประเภทนี้เรียกว่าอะไรขโมยโจรขโมยีิจูนเพราะฉะนั้นแขกคือความคิดเขาเขาที่เข้ามาในใจของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยมันเป็นอะไรเป็นสังขารที่เรียกว่าเป็นขโมย เข้ามาขโมยเอาเราสติเราออกไปขโมยศีลเราออกไปขโมยสมาธิเราออกไปขโมยปัญญาเราออกไปแล้วถึงสติสมาธิปัญญาเราถึงไม่มากพอไงเพราะเราถูกขโมยอยู่เป็นประจำแล้วเราคิดที่จะป้องกันตัวเองว่าไงเพราะถูกขโมยจนหมดเนื้อหมดตัวขโง่างบางรูปวนละสองวันกนนั่นขโมงว่างมันเป็นขโมยแล้วคุณอนุญาตให้ขโมยทาไมไงก็เพราะคุณไม่มีเออคุณไม่มีอาวุธไม่มี ถ้าหากว่าโจรมันเข้ามามันมีอาวุธมากกว่าคุณใช่ไหมเจ้าของบ้านไม่มีอาวุธในลักษณะนี้มันไม่ใช่โจนธรรมดาโจนมีอาวุธสู้กันมากอ่าสู้ <ไป S 1> แล้วคุณมีอาวุธ <ไป S 1> หรือห ล, ลับไปเลยหเห็นไหมเขาก็วางยายสลบคุณก่อนก่อนที่เข้ามาบ้านเขาอะไรเขาจุดควนต้นต้นลมไวเรียบร้อยแล้วให้คนโดนนั้นนะเ ป, นเป็นด้ร่างกายเราเพียรมากหรเ่าอ่าไม่รู้ว่าอันนั้นอีกอย่างดนึ่เพราะฉะนั้น โจรมันจะเข้าบ้านเราเนะียมันไปจุดยาสรุปอยู่ด้านหัวล ม, มอะหัวลมชวยเข้ามาสักพักแล้วก็มวยหลับไปเลยแล้ะมันก็มาป้นเอาของคุณฉันได้ก็ดีความง่วงก็เหมือนโจรที่มันมาโปรยยาพิษให้เรียบร้อยแล้วสักพักหนึ่งปุกตาหลีล่โลกหลีล่โลกก็ง่วงบ้าไปเลยนะเสร็จแล้วมันก็มาขโมอยอะไรไปขโมยความตื่นรู้เอบอร์บาลของคุณไปคุณก็หลับไปหลายนาทีเมื่อวานนี้ใครโดนบ้งโดนขโมยวางยา อย่าอย่าสลุบบ้างโดยไปไล่ไล่เมืม่อวานเนี่ยฟื้นว้างไม่ฟื้นบ้งมันเป็นเรื่องที่เรานึกไม่ถึงอะเรื่องง่ายๆแต่ว่าเราเรายังไม่มีประสบ ก, การณ์เรายังไม่ตื่นตัวมันชินเกินไปแต่ถ้าเรามองลักษณะเหตุการณ์นีย้ยจะเกิดความระมัดระวังเกิด a ิ e r t ใช่ไหมเกิดความตื่นตัวเพราะฉะั้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกเอามาปฏิบัติมา20 30, 30ปีมันไม่เคยเบื่อเลยนะ ปฏิบัติเมื่อไรก็สนุกแต่พาพวกเรามานั่งปฏิบัติแค่วันเดียวหัวจะเบื่อใจด่างเมื่อจะเสร็จสิ้นพ่อฉจะกลับไปบ้านได้ทีใช่ไหมบางคนนึก อ, อย่างนี้เลยนะจริงไหมอไเออจะทำมาขาขายจะมานั่งยุ่งกันไปบ้าไม่เห็นได้อะไรเลยเนะี่ยเออบางคนคิดอย่างนี้เลยอะผ์พ่อเห็นนะอย่าปฏิเสธนะอดังนั้นเองตั้งใจสมัยวันเนี้ตั้งใจสมัยคือพยายามปรับตลอดเวลา ปรับได้อะไรบ้างปรับหนึ่งปรับตาอย่าให้มันหลับบ่อยหลับได้แต่อย่าให้มันหลับบ่อยอย่าให้มันหลับนานสองปรับที่หูพยายามฟังใจตัวเองมันคิดอะไรอย่าไปฟังเสียงข้างนอกมาหนักสปรับที่จมูกสปรับที่ปากลิ้นหรือกายหปรับที่กายของเราการเคลื่อนไหวให้เป็นระเบียบ ปรับิี่กายนี่ปรับเยอะเลยนะเพราะอะไรในกายของเรามีความรู้สึกทั้งหลายอย่างเย็นแล้วอ่อ น, ออนแข็งเข้นตึงเจ็บปวดมเมื่อยเพล่อะไรต่างมเกิดขึด้นในกายหมดใช่ไม่มเราจึงได้ปรั บ, ป ร, บปรับด้วยการเจตนาที่จะปรับอย่าให้ปรับโดยที่ไม่เจตนาตั้งได้กล่าวแล้วถ้าปรับโดยที่ไม่เจตนาเกิดอะไรความเคยชินด้วยสัญชตาตญาณถ้าปรับด้วยเจตนาที่ชัดเจนด้วยสติมันก็จะเกิดเป็นปัญญาเห็นไหมเมื่อย นะไม่ยากเลยดังนั้นเองในแต่ละวันเนี่ยให้เป็นวันที่สําคัญที่สุดให้คิดเสียว่าวันนี้เรามีชีวิตเพียงวันเดียวตอนเย็นนี้เราก็จะตายล้วหลวงพ่อคิดอย่างนั้นนะเมื่อถึงเวลาล้วหลับหลวงพ่อเออตอนนี้ได้ตายล้วแล้วลนอนหลับไปแต่ถ้าเมื่ อ, อไหร่มันเกิดคิดขึ้นมาเราจะท้วงทันทีเอะคนตายนะมันคิดไม่ได้นะที่แกคิดอยู่แสดงว่าแกยั ง, แก ย, งแกยังไม่ตายใช่ไหม <c oughs> ก็หาวิธีตายใหม่ หายใตใหม่ก็ดึงลมหายใจเข้าออเข้าออกตายแล้วนะที่คนตายนะั่นมันหดลมหายใจใช่ไหมสักพักหนึ่งกึบไปเลยตายละวตื่นเช้าขึ้นมาเราได้เกิดใหม่อเอาวันนี้เป็นชาติใหม่ของเรามันก็มีเวลาเพียงวันเดียวใช่ไหมตอนเย็นนี้เราจะตายทําอย่างนี้ถืวถวถวววอวาาาาา่ันเลยว่าเจริญอาณาปณสติอาณาปณสตินี่มันมันเวิร์ ก, กว่ามันได้ความหมายกว่า ไปเลยนึกถึงว่าเออความตายไปอย่างงั้นความตายี้มันไม่ได้เวิร์กหรอกแต่ให้นึกถึงความตายจริงๆเพราะเราความจริงแล้วเราตายตลอดเวลาใช่ไหมท่านเรียกว่าการเกิดกับการดับของจิตอย่างนั่งเนี้ยท่านนี้มันเกิดใช่ไหมพอมาลุกขึ้นเนี้ยท่านนั้นยังอยู่ไหมไม่ยังมันตายไปละแค่นี้ยการเกิดตายปรากฏตลอดเวลาแต่เราไม่รู้การเกิดตายทีละขณะแบบเนี้ย พอมามานั่งถ้ายืนยังอยู่ไหมตายไปละแน่การเกิดตายมีอยู่ตลอดเวลาแต่เราเคยชินต่อการไม่รู้ตัวไงการเกิดการตายปรากฏตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นมันเข้าใจได้ไหมเราไม่ได้บอกอ่าไม่ได้บอกกันท่นเด็กๆใครจะไปบอกคุณแค่ปีนี้อายุเท่าไหร่ละ ห้าสิบแปด้าสิบแปดคุณได้มาฟังเรื่องนี้ใช่ไหม <laughs> <laughs> ดีนะคุณยังไม่ได้ ย, ยังได้ยังได้โอกาสได้ฟังนะเออถ้าหากว่าไม่ฟังหลวงพ่อวันนี้จนตายคุณก็ไม่ได้ฟังเรื่องนี้ใช่ไมืม <c oughs> เพราะฉะนั้นการเกิดการตายปรากฏตลอดเวลาแต่คุณไอซันเสียงมันหายไปนะ <c oughs> ทีนี้ความคิดเอาละตั้งแต่แรกชั่วโมงแรกที่ตื่นมาเมื่อกี้เราคิดเรื่องอะไร ขี้เรื่องยะบอกความร่างกายใช่ไหมแล้วมาถึงขนาดนี้ความคิดนั้นยังอยู่ไหมไม่ยไม่อยู่มันตายไปตั้งนานแล้วนะไอ้ขณะนี้มันคิดเรื่องใหม่เกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดใหม่เดี๋ยวพอสักพักเราไปทานข้าวความคิดที่เกิด ข, ขึ้นขนาดนี้มันยังอยู่ไหมไม่อยู่มันตายไปแล้วความแก่ความแ ต, มแต่เจ็บความตายปรากฏตลอดเวลาแต่ว่าเราไม่รู้จักไงนั้นการเจริญมโนสติให้เจริญแบบนี้ ว่ามีการเกิดขึ้นแล้วมีการตายตลอดเวลาความรู้สึกเอานะให้ดีอทุกคนเปลี่ยนเป็นเปลี่ย น, เ ป, ยนเปลี่ยนท่านั่งมันเปลี่ยนท่านั่งมาแบบนี้ดูสังเกตให้ดีนะเกิดอะไรขึ้นอ่าเปลี่ยนความรู้สึกความรู้สึกเมื่อกี้ยังอยู่ไหมก่อนที่จะเปลี่ยนไม่อยู่แล้วมันเป็นยังไงมันตายไปแล้วมันตายไปแล้ว แต่วความรู้สึกเกิดใหม่นี่เป็นไงสบายกว่านิดหนึงใช่ไหมเดี๋ยวพอนั่งอย่างนี้ไปสักพักความรู้สึกที่สบายมันก็ตายไปแต่ความรู้สึกที่หนักๆขึ้นมาใหม่ใช่ไหมก็เกิดใหม่เพราะฉะนั้นการเกิดการตายเนี่ยเป็นการเกิดการตายของสบายหรือไม่สบายของความไม่สบายขณะนี้ถามไม่สบายไม่ไม่สบายเหมือนกันแต่เมื่ไม่สบายนิดๆใช่ไหมแต่ถ้านั่งนานเพือนี้ความไม่สบายนิดๆจะกลายเป็นอะไร โตขึ้นใช่ไหมใหญ่ขึ้นแรงขึ้นเนี่ยให้ท่านได้เห็นทุกจากการเกิดการ เ, าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้ให้ตลอดเวลาแล้วเราจะเกิดสติปัญญามากขึ้นมากขึ้นเราจะเห็นการเกิดการดับชัดเจนขึ้นถามว่ายากไหมไม่ยากแต่ว่าเรายังไม่คุ้นเคย ดูเหมือนยากเท่านั้นเองอะไรก็ตามที่ยังไม่เคยดูเหมือนยากใช่หัหยแต่ถ้าเราเคยแล้วเป็นไงง่ายนะวันนั้นทำให้คุ้นให้เคยการทำให้คุ้นเคยเจะเป็นนิสัยท่านเรียกว่ายานปัญญาแต่เราไม่ใช่ภาษาช่างว่า ช, นชนานิชานานเราจึงเรียกพวกนี้ว่าช่าง ช, นชนานิชานานในเรื่องนั้นๆเราเป็นผู้ชานิชานานในการแก้ ป, ปัญหาและความทุกข์ดีกว่าหม ดีกว่าเพราะเราไม่มีปัญหาเรื่ควทุกข์เพราะเราแก้มันตลอดเวลานั้นคือความไม่ทุกข์เราเรียกบุคคล น, นั้นว่าเข้าถึงอะไรเข้าถึงนิพพานแค่นั้นแต่มันต้องรู้จากนิพพานทีแลกขณะอย่างนี้ไปก่อนเราอยากจะได้มากไปสั่งสมมันไปเรื่อยๆอกลับมานั่งปกติอ่าความหนักเมื่อกี้หายไปแล้วใช่ไหมมันก็สบายขึ้นมานิดหนึ่งสักพักหนึ่งไอ้ตัวนี้ยังอยู่ไหม ไม่ตายไปอีกการเกิดแก่เจ็บตายปรากฏตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเห็นการเกิดแก่เจ็บตายในระดับนี้เนื่องจากว่าเรายังไม่รู้หรือรู้แต่ว่าไม่เห็นรู้ว่ามีอยู่แต่เรามองไม่เห็นเพราะอะไรจึงมองไม่เห็นเพราะเลยไม่เกิดเลยไม่เกิดธรรมะจักสุใช่ไหมทํมาไมจึงไม่เกิดธรรมะจักสุเพราะขาดอะไรขาดผู้ชี้บอก เมื่อวานหลวพอพูดถึงว่าบญรญญบุคคลทั้งห้าพอฟังพระทีเ่เจ้าได้ชี้บอกแล้วคนแรกที่สุดที่เห็นได้เข้าใจได้คือใครนะพระอะไรนะอัญญา <c oughs> โกฏัญญาชื่อเดิมท่านโกฏัญญาพอมาเห็นเรื่องนี้ปั๊บท่านใช้ชื่อใหม่ว่าอัญญาแปลว่าเห็นแล้วรู้แล้วอัญญาท่านเห็นแล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วคืออัญญาโกฏัญญาได้ชื่อใหม่น่ะพอเห็นแล้วรู้แล้วนี่ จ, จบไหมมันยังไม่จบเหมือนว่า อม า, ามาถามว่าโยมตอนนี้ทางไปกรุงเทพเนี่ยไปทางไหนอามาก็บอกเออออกจากนี่ไปตรงนั้นออกก็โยมก็นึกตามเห็นตลอดเลยเห็นถึงเทพถามว่าตอนนี้อยู่กรุงเทพหรือยังยั ง, ยงเพียงที่รู้ว่าทาํากรุงเทพไปเท่าไหร่เท่านั้ น, นเองอันนี้คือเป็นความเข้าใจได้ดวงตาเห็นธรรมคือมองทางทะลุแต่ยังไม่ได้ไปแล้วหลังจากนั้นถ้าเดินทางอีกกี่เดือนรู้ไหมถึงจะได้บรปปรลุพระรหัสพระอัญญาคุณทิยา ก, กับคณะเนี่ยอีกสามเดือนน่ะ อาจารย์พอฟังเดือนหกเดือนเจดเดือนแปดเดือนเก้าท่านมารลุทำเป็นพระหานในเดือนเก้าตอนเข้าพรรษาวันอาสาหบูชาวันอาสามหาบูชาเป็นวันที่พระสงค์เกิดครบพระรหารเกิดครบนะใช่ไหมอ่าเนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าเดินทางสามเดือนถึงจะไปถึงหลังจากที่ท่านเข้าใจเส้นทางแล้วนะดังนั้นวันนี้ขอให้เราได้เข้าใจไว้ก่อน แล้วใครจะไปถึงที่สุดพระมหาเนี่ยจะกี่ปีกี่เดือนก็ก็แล้วแต่ความพยายามของเราแต่ถ้าหากว่ า, าบวชเป็นพระเนี่ยอาจจะเดิดังได้ไวแต่ต้องปฏิบัตินะั่นแหละบวชเป็นพระจะาเช้าเอนเพลนอนบ่ายพักผ่อนกลาคืนจะวัดดึกสงัดมีอะไรเติบต่อตอีกก็ไม่รู้นะ mm hmm. เห็นไหมอย่างนั้นกไ็ไม่มีทางที่จะไปเดินถึงเหมือนกันเราก็ต้องปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องเพราะฉะนั้นโอกาสได้บวชก็คือโอกาสได้เดินทางได้ไวขึ้นเท่านั้นเองนะ ตอนนั้นเกิดเข้ามาปฏิบวรแล้วเนี่ยว่าเด้ไม่เพื่อเดินทางไปสู่มรรคผลให้ว่าอย่าไปบวชให้เสียเวลาเป็นบาปเบาใช่ไหมกินข้าวชาวบา้านอ่บาบ้านไม่ได้เช่าข้าไม่ได้ซื้องานไม่ได้ทํมามรรคผลไม่เกิดโตรนรกอีกไงอ่าเพราะนั้นพระที่ตัวนรกมากกว่าหยงไะท่านบอกว่าสังขาวพรนะนั่งไปพาดต้นตานใกล้นรกเดือดต้นต้นตานนองนองนองนองล ง, ลงมาเลยมันหนักขนาดนั้นเพราะฉะนั้น จะให้ลูกหลานบวชนะ่ยต้องแน่ใจว่าได้ปฏิบัติหรือเปล่าถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติวิปัสนาไปสำนักที่ยังไม่ได้ยเพิ่งให้บวชเขาจะตกนรกได้ง่ายเข้าใจไหมอันนี้ไม่ใช่ขู่นะอ่ทัา น, นั้นเราบวชเพื่ออะไรบวชเพื่อที่จะเดินไปสู่มรรคผลได้ไวขึ้นเท่านั้นเองแต่ในสมัยก่อนคนที่จะเข้ามาบวชถ้ายังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมพุทธเจ้าไม่บวชให้นะ เพราะอะไรทังบวชนไม่รู้จะไปทำอะไรเพราะว่าปุถุชนเข้ามาบวชนะมันมันติดสบายใช่ไหมลาบสักการะเยอะเดี๋ยวไปตีลาบสักการะแล้วก็ลืมปฏิบัติเลยมีปัญหาทีหลังอะ่ะในสมัยนั้นถ้าหากว่าท่านเทศให้ฟังแล้วอย่างเยายมเนี่ยหลังจากที่หลวงพ่อเทศให้ฟังยมเข้าใจใช่มหมยมอยากจะปฏิบัติให้มากกว่านี้ยมก็เข้ามาบวชเป็นภาพเป็นชีพิษุนีก็แล้วแต่ก็ปฏิบัติอีกไม่นานก็บรรลุธรรมพระหรหัสเยอะสมัยนั้นอะ่ะแท่านก็จะบอกว่าเธอ ทั้งหลายจงเป็นภิสุมาเถิดทำอันดาวตรัส ด, ดีแล้วเธอจงประพฤติพมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเพื่อทำทีิสุดแห่งทุกเถิดแค่นี้แหละบวชสำเร็จละแล้วคุณไปหาภาพมหงออก็แล้วกันใช่ไหมไม่ต้องไปหาอุปชาอาจารย์คู่บวชพระอันดับไม่ต้องให้แค่ท่านตรัแค่นี้บวชสาเร็จละ ที่นี้มีอยู่คนหนึ่งจะเล่าให้ฟังชื่อพาหิยะทารุจิริยะท่านผู้นี้ไปค้าลุงเรือไปค้ากับเพื่อนเป็นพ่อค้าสาเภาไปค้าต่างประเทศสมัยนั้นมันต้องพายเรือสาเภาไปไม่ใช่่าจะมาเรือโบ๊ทรเรือกุญไฟเรือใหญ่เรือชิปเรือครูดมมนเหมือนสั่ววันนี่ใช่<ม>ั้ยก็พายไปไปถึงกลางทะเลปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะในสมัยนั้นไ อ, ไอ้เรื่องกลมอุตุเรดาอะไรนี่ไม่มีไม่ทันสมัยใช่ไหม ก, ก็กลถึงกลางทะเลเกิดพายุพายุมาปากฏว่าคนที่ไปในเรือทั้งหมดร้อยกว่าคนถูกคลื่นซัดจมน้ำไปทีทละคนสองคนนี่เหลืออยู่คนหนึ่งแกว่ายน้ำตลอดเวลาว่ายอยู่เจ็ดคืนเจ็ดวันไปขึ้นฝั่งแห่งหนึ่ง ไม่รู้แกบุญแกมีบุญกุศลอย่างไงไม่ตายแต่พอขึ้นฝั่งไปแล้วผ้าติดเนื้อเสื้อติดตัวมีไหมไม่มีน้ําซัดไปหมดร้อนจนในสมัยนั้นรนะัลทธิของมหาวิระหรือลทัทธิของลุงลมหงฟ้าคือแก้ผ้านมันมีอยู่แล้วก่อนพุทธเจ้าทีนี้พอไปขึ้นฝั่งโดงนั้นแกไม่ไม่ใส่ผ้าคนในบ้านหมู่บ้านแถบนั้นมาเห็นเข้าก็ว่าโอ้พระละหันมาถึงแล้วสมัยนั้นคนที่แก้ผ้าได้คือเป็นพระละหันไงแล้วลทัทธิของพวกอ่า น, นี่คนนัตบุตราะที่นึ่งหลุมหุ่นฟ้าปัจจุบันก็มีใช่ไหมอินเดียถ้าเราไปเออมันยังยืน ย, ยืนมาได้ถึงสองสามพันปีพระพุทธศาสนานะไม่ใช่ธรรมดาก็ปรากฏว่าพระเฮียธุริพาลุจิณยะถูกอุปโลกเป็นพระหรหันโดยไม่รู้ตัวชาวบ้านก็โอ้ดีใจกันใหญ่พระหรหันขึ้นฝั่งมาแล้ว อ่ามาจากไหนไม่รู้ขึ้นจากทะเลห่อจากาข้ามเดินทะเลขึ้นมาตรงนี้ก็าพากันไปไหว้ไปกราบลาบสักการก็เกิดขึ้นเขาก็เลยตกกระไดพ่อจพยจูนเป็นพระลหันโดยจําเป็นเขาก็เลยอยู่สักพักหรือในใจลึกๆฉันเรือล่มแล้วฉันมาขึ้นตรงนี้เขามาอุโบสถฉันเป็นพระลหันนะแต่มันก็สบายดีนะไม่ต้องบ้านไปตรงเช่าเข้าไม่ถือสบายแต่หากคนมากราบมาไหว้แต่ในใจลึกๆมันบอกไม่ใช่ มันจะต้องมีพระหรหันต์ตัวจริงเนี่ยมันดีขนาดไหนคนนึกสักการ ะ, ะขนาดแต่ฉันไม่ใช่ฉันจะต้องไปพระหรหันต์ให้เชือในที่สุดก็ไล่ถามข่าวว่าพระหรหันต์ที่แท้จริงอยู่ที่ไหนเขาบอกโอน้นุ่นพระพุทธเจ้าและพระ า, าสาวกกาลังเผยแผ่ธรรมะอยู่ที่เมืองสาวัตถีก็เลยลักหนีออกจากสํานักในเวลากลางคืน เดินอยู่หลายคืนหลายวันจนกระทั่งไปถึงเมืองสวัสดิวัดพระเชตวันในช่วงเช้าช่วงนั้นพรุทธเจ้ากำลังพาพระออกบินทบาทพอดีคนเดินทางมาตั้งหลายวันน่ะข้าวได้กินบ้างไม่กินบ้างจะรู้สึกไงใช่ไหมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวจะเป็นลมเป็นแล้งจะตายอยู่แล้วอ่ะก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าอยากจะทราบความเป็นพระอรหันต์เป็นอย่างไรพระุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนอุบายสุเวลานี้ไม่ใช่เวลาจะมาถามปัญหา เรากำลังบินทบทบดาอ้าวพอเดินไปซื้อพักคนที่ตามไปถามอีกแล้วถามถึงครั้งที่สามพุทธเจ้าก็เล็งดูว่าอ๋อมันเกิดอะไรขึ้นกับวาศกคนนี้แล้วมาดูพพุทธเจ้ารู้อย่างรู้้วยยานอ๋อคนนี้ไม่กี่นาทีจากนี้ไปเขาก็จะตายเพราะนั้นท้าก็รีบบอกเลยดูก่อนภัยยะทารุจริยะความเป็นพระอรหันต์คือความที่ ไม่มีจิตไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีข้างหน้าไม่มีข้างหลังอยู่ณปัจจุบันที่รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ณปัจจุบันตลอดเวลาเราบัญญัติว่าความเป็นพระรหันแค่นี้เข้าใจดวงตาเปิดเลยพัวขึ้นมาอ๋อสิ่งนี้เรามีอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นพุทธเจ้าก็แต่ว่าดูก่อนทายะ พระยกักษ์กเลยบอกว่าข้าพเจ้าขอบัรพชาเขาบวชถ้างั้นเธอไปหาผ้ามาพุทธเจ้าก็เดินทางบินน บ, บัดต่อคนนี้ก็แยกตัวไปหาเลยหาผ้าผ้าใ น, ส ม, นสมัยนั้นไปหาได้สองที่หนึ่งปชาช้าสองกองขยะผ้า ข, าขาวๆเงี้ยนะเพราะว่าที่กองขยะเนี่ยคนเขาตัดผ้าตัดผ่อนมันเศษมันเหลือเขาก็ไปทิ้งที่กองขยะใช่ไหม หรือบทีที่ป่าช้าเขาเป็นผ้าขาวหอ่อศพเขาเผาศพแล้วก็เอาผ้าห่อไปตามไม้ตามอะไเวลาบางสกุลอ่ะผ้าไปบางสกุลนําป่าช้าคืออย่างเงี้ยทีนี้พระรู้จิเนียก็ไปเห็นกองขยะใกล้ๆนั่นเองก็เลยเข้าไปหาผ้าขณะเคลียคุยหาผ้าอยานั้นเน่ยมันเป็น ช, ช่วงเช้าใช่ไหมชาวบ้านเขาก็ปล่อย ว, วัวปล่อยควายออกจากแหลง่งที่ตามปุกติงัวไม่ลูกอ่ อ, อนฝูงหนึ่งเนี่ยพอออกจากแหลง่งปับ๊บมันก็วิ่งมาที่กองขยะมันจะหากินใบเศษใบตองเศษอาหารต่างๆปรากฏว่า วัวไม่รู้อ่อนคู่นั้นนะมันก็วิ่งมาทั้งบุติอัวตัวเล็กๆเนี่ยเรามันเห็นคนมันเป็นไงมันเข้าไปใกล้ใช่ไหมเข้าไปดมไปเลียไปอะไรเล่นทีนี้เหมือนกันลูกวัวเนี่ยมันเข้าไปหาวายศกอาหิยะแม่วัวมันเห็นเข้าก็นึกว่าอุบายศกคนที่จะไปทําร้ายลูกมันใช่ไหมมันก็วิ่งมาขวิดอย่างแรงเลยชนตึ้งเดียวขวิดกระเด็นเลยปรากฏว่าเป็นไงคนมันหิวมัน นักเหนื่อยอยู่แล้วเพราะโดนวัขวขีดเข้าไปอย่างแรงก็เลยช็อกแต่ว่าได้สติขึ้นมาแล้วบรรลุพระหรหัสในขณะนั้นตอนที่ไปหาผ้าเนี่ยอย่างแค่เข้าใจเท่านั้นนะขอบวชเพื่อที่จะมาปฏิบัติต่อแต่พอโดนวัขวขีดอย่างแรงจิตรวมปุ๊บบรรลุธรรมเป็นพระหรหัสในขณะนั้นเป็นไปได้ไหมหลังจากนั้น ผู้ทีเจาเสด็จกลับจากวินเทบัตถึงวัดมีโยมมาบอกว่ า, าคนที่ฟังธรรมถามปัญหาพุ้ทีเจ้าไม่เคียดถูกโวคีาตายแล้วผูทีเจ้าบอกเขาเป็นพระราันแล้วนะทีนี้พระทั้งหลายได้ยินว่าเป็นพระราันเราปฏิบัติแทบล้มแทบตายทั้งหลายเดือนหนงไม่ไปไหนเลยอันนี้พอมาฟังธรรมเมื่อกี้ที่บอกมรรลุทําเป็นไปได้ยังไงขึ้นเลยไปถามพุ้ที่เจ้ามัาเป็นไปได้ยังไงฟังธรรมเมื่อกี้บอกว่าอันนี้เขาสร้างบุญบารมีมานานแล้ว แต่ที่ชะตากรรมเขาเปิดอย่างนั้นว่ามีอยู่ชาติหนึ่งเขาเป็นลูกเกิดเป็นลูกเศรษฐีทำํำตัวเป็นเพลย์บอยสนุกสนานไปตามเรื่องมีการกินการดื่มกันก็นกนกไปข่มคืนลูกชาวบ้านเขาทีนี้กลัวความผิดข่มคืนลูกชาวบ้านแล้วเป็นไงฆ่าผู้หญิงตายแต่ผู้หญิงคนนั้นก่อนจะตายเขาผูกอาคาดเอาไว้เกิดพบใดชาติใดฉันจะตามฆ่าแกอย่างแกฆ่าฉันนี่แหละผู้หญิงคนนั้นอาคาตมาแล้วคนสองคนนี้ก็อาคาดฆ่ากันมาตลอดหลายภพหลายชาติ จนมาถึงชาตินี้ก็ยังตาม่ากันในทะี่สุดแนมะ้แต่ว่าคนก็บรรุกหัสนตรงที่ถูกไม่หวั่คิดนะั่นแหละพ่อเวทนามแรง <c oughs> ตรงนี้จะบอกให้ทราบว่าเมื่อพระองค์ตรัสว่าเข้าใจแล้วเธอบรรพชาเธอจึงเป็นพิสุเมลเธิดทำเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติรลมจรย์ให้บริสุทธิ์บริสุทธิ์บุญชิ้นเชิงแค่นี้จบแต่คนคนนั้นก็ไปหาผ้ามามาห่มเท่านั้นเอง ไม่ต้องมาเข้าบสถเข้าซีมาอย่างที่เราเห็นทุกวันนี่นะเห็นไหมโบสถเพื่ออะไรเพื่อทําที่สุดแห่งทุกพรหมจรรย์ไม่ใช่บสถมาเพื่อที่จะอย่างที่เราเห็นทุกวันบสถตามประเพณี่ที่โบราณเขาว่าอะไรนะโบตรับโบตรองโบครองประเพณีโบตนีสงสารโบตรานเข้าสุขบวกสนุกตามเพื่อนโบกสนุกตามเพื่อนโบเพื่นศาสนา บทหาของเล่นบทเป็นสมผัสว่ากันไปยาวเลยทีนะเนี้ยเพราะว่าแล้วมันเป็นเรื่องที่เศร้ามากอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องดีเลยใช่ไหมแต่ว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่เพราะฉะนั้น เ, เพื่อที่จะให้เรื่องมันแคบเข้ามาเนี่ยหลวงพ่ออยากจะทวนประเด็นอีกทีหนึ่งว่าวันนี้หลวงพ่อให้ไปดูอะไรให้ไปดูอะไรนะความ รู้สึกตัวกับความคิดสิ่งไหนมาก่อนตอนนี้เริ่มได้คําตอบแล้วนะสิ่งไหนมาก่อนสิ่งไหนมีอยู่ก่อนความรู้สึกตัวมีก่อนแต่ว่าเวลาชีวิตจวันอนะใครมาก่อนความคิดมาก่อนแสดงว่าเราลืมตัวใช่ไหมลืมความรู้สึกตัวความทุกมันถึงเกิดนี่ไงทงั้งๆที่มันเป็นเจ้าของบ้าน <c oughs> แต่มาถูกความคิดเปรตเสมือนโจรใช่ไหม <c oughs> เข้ามาขโมยเอาสติเราไปณบัดนี้เรามาเพิ่ม ปลุเจ้าของบ้านให้ตื่นพร้อมกับมีอะไรมีอาวุธถ้าแขกมันเข้ามาได้บ้านแขกไม่ดีมีร้ายนี่นะถ้ามันเห็นเจ้าของบ้านไม่มีอาวุธไปไงมันก็พร้อมที่จะปล้นหรือฆ่าได้ถ้ามันมีอาวุธแต่ในเมื่อเรามีอาวุธอยู่ในมือโจรมันเห็นหน้าบ้านมันกล้าเข้าไหมเราเผือปืนกล่าวอยู่เลยเนี่ยมันไม่กล้าแล้วใช่ไหมเหมือนกันความคิดเมื่อเรามีสติมีปัญญาเฝ้าดูมันอยู่มันก็จะไม่เข้ามาละลาน พาเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราจัดการมันทันทีทีนี้อยากจะถามว่าความคิดที่เกิดขึ้นในใจของเราแต่ละครั้งเนี่ยระหว่างความคิดที่จําเป็นกับไม่จําเป็นเ น, นี่ยอันไรมากกว่าฮะความคิดที่จะต้องทํากับความคิดที่ไม่ต้องทําตามเลยอันไรมากกว่าอ่ะความคิดที่มันเกิดขึ้นไปไม่ไปเรื่องไปแล้วเนี่ยเยอะแยะไปหมดใช่ไหมเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวอันนี้แต่ความคิดว่าวันนี้จะทําวันนี้วันนี้คิดเดี๋ยวเดียวก็จบละแต่ว่าต่อจากนั้นสิ นั้นเรียกว่าอาคันตุกะที่ไม่จําเป็นอาคันตุกะที่เราไม่ต้องการต้อนรับมันเข้ามาแต่ละเวลาท่านใช้ว่าอาคันตุกเกเสหิอุปกรณ์ถังจิตนี้เศ้าหมองด้วยอาคันตุกะกิเลสยากไหมไม่ยากแต่ว่ายังไม่มีประสบการณ์ยังไม่มีประสบการณ์นะเพราะฉะนั้นช่วงเช้าวันนี้หลวงพ่อนำเรื่องนี้มาพูดแล้วก็ ส่วนประกอบหลายๆเรื่องเพื่อที่จะให้มันชัดประเด็นชัดเจนขึ้นเท่านั้นนะไม่จะมีเจตนาที่จะให้มันสับสนแต่ให้ให้เรื่องแต่ละภาพมันชัดเจนขึ้นเผื่อว่าวันนี้วันนี้ทั้งวันเนี่ยเวลามันทํำเแล้วมันเบื่อมันเซ็งมันเหงามันง่วงเนี่ยจะได้นึกออกว่าหลวงพ่อพูดอะไรให้ฟังบางทั้งเช้านี่ตอนนั้นคงมึงนึกอะไรไม่ออกมั้งแทะง่วงมาแล้วมืดอย่างเนี้ยเบื่อมาเขาจะคิดอย่างเดียว เวลาเราง่วงเราเบื่อมาส่วนใหญ่มันเป็นพาเราไปคิดเนี่ยมันจะคิดในทางที่ดีหรือไม่ดี <c oughs> คิดทางทางไม่ดีหรอกเป็นอกุศลเะนั้นต้องระวังอย่าให้มันเกิดถ้านิวรณ์มาเบื่อมาความคิดดีๆก็ไม่มาละเวลาง่วงมาความคิดดีๆไม่มาละเวลางุดหงิดมาความคิดดีๆก็ไม่มาละเวลาฟุ้งซ่านมาความคิดดีๆก็หายไปเวลาสงสัยเกิดขึ้น ความคิดดีๆก็หายไปเพราะฉะนั้นนิวรณ์คือตัวสกัดกั้นในสิ่งที่ความรู้สึกที่ดีดะ น, นั้นวิธีการคืออย่าให้มันเกิดดีที่สุดแต่ถ้ามันเผลอเมื่อไหร่เราห้ามมันได้ไหมไม่ได้มันต้องเกิดวิธีที่สุดดีที่สุดคืออย่าเผลอที่การไม่เผลอทําไงนั่งท่า น, นี้มานานาแล้วเผลอแล้ใช่ไหมรู้สึกหนักไหมแล้วทำไมไม่เปลี่ยนนะเราพร้อมที่จะแช่กับความไม่สบายอย่างนี้แหละ เพราะนั่นเขาเรียกว่าไม่ขยันขยันไม่ใช่ขยันยกมือนนขยันนะ่นะขยันสังเกตว่าอะไรกํำลังเกิดขึ้นในตัวเราถ้าหากว่าเรารู้สึกว่ามันผิดปกติไปไงปรับปรับมีสองอย่างคือปรับเล็กกับปรับใหญ่เหมือนปรับคอร์รอมปรับเล็กก็คือเอาคนบางคนออกใช่ไหมปรับใหญ่ไม่เอาออกทั้งคณะเออตั้งต้นใหม่เหมือนกันปรับเล็กขึ้นมาเออมันหนักขยับหน่อยหนึ่งแค่นี้ก็ได้เรียกว่าปรับเล็กใช่ไหม ถ้าปรับใหญ่โอ้โหปรับเล็กหลายครั้งแล้วมันไม่เวิร์กก็ปรับใหญ่เลยเอางี่เลยนี่ปรับใหญ่คือเปลี่ยนไปอีกท่าหนึ่งเลยปรากฏว่าความรู้สึกหนักๆมันยกออกทั้งยวงเลยใช่ไหมนี่เรียกว่าปรับใหญ่เพราะไอคอนมมันไม่เวิร์กสร้างปัญหาทําให้รัฐบาลหนักโอนหนักใจปรับใหญ่ยกออกทั้งคณะเลยนะอันนี้ก็เหมือนกันปรับเล็กปรับน้อยขยับู้นขยับนี่มันก็ยังคาอยู่ใช่ไหมพอยกยิบป๊อปปรับใหญ่อีกทีหนึ่งเปลี่ยนรัฐบาลเลย เปลี่ยนท่าไปเลยอันนี้คือวิธีการแต่ทําไมเราจึงไม่อยากเปลี่ยนเพราะหนึ่งเราต้องการฝึกความอดทนใช่ไหมมองในแง่ดีไว้ก่อนนะสองเราต้องการฝึกความเข้มแข็ง ข, ข, ของตัวเองว่าเราแน่แค่ไหนนั่งนานๆในขนาดนี้เนะสามเราต้องการสมาธิบางส่วนเพราะจิต น, นิ่งอยู่นานๆเราจะเกิดสมาธิสี่เราเผลอขี้เกียจเอ อ, เ อ, อนี่ไปเข้าท่าแล้วห้าเราขี้เกียจเปลี่ยน เราอยังไงก็ได้นั่งทูซีนไปเ ง, งี้เดี๋ยวก็หมดเวลาเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ให้ไปสังเกตดูโอ้ทุกครั้งที่สวดจุบหลวงพ่อให้บอกให้เก็บหนังสือวันนี้หลวงพ่อไม่ได้บอกเลยลืมเลยใช่ไหม เ, เก็บซะเก็บซะมันลกอย่างเดี๋ยวเรวเผลอข้ามเผลอเหยืยวไม่ดีนั่นน่าจะเห็นว่านี่ความเผลอมีได้แต่เวลาน ะ, น ะ, นะก็วันนี้จะให้ เจริญสติด้วยการทําอะไรสักอย่างนึง น, นะเวลาที่เหลือเพ่อจะให้เก็บขยะเก็บใบไม้อย่างมีสติในบริเวณนี้นะถ้าช่วยกันทําความสะอาดแต่ว่าไม่ใช่ไปทําความสะอาดไปเจริญสติกับการอะไรไกับการเคลื่อนไหวการหยิบการยกอะไรต่างทำอะไรต้องลองดูว่าเราทําเจริญสติการเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนทํำยังไงเพร่อจะคอยช่วยเหลือด้ว ย, วยใบไม้มีเยอะแยะขยะมีเยอะแยะที่ให้เก็บวันนี้ทั้ง หาวเต็มที่เลยนะถือรอยเปอร์เเลยหาวแบบไม่เกรงใจคนเลยนัเนี่ยเอราะนั้นหาวสักครึ่งนึงมันถ้าขยับจะหาวบนงปากทันทีนะอันนี้ที่ปล่อยให้เต็มที่เลยนะเพราะฉะนั้นมันมันไม่มันไม่เลือกหน้าเลยนะโจนเนี่ยมันเข้ามาถือปล่อยให้มันเข้ามามันมันเล่นเธอเต็มที่นี่แหละเราังมองมันในแง่ดีเลยพวกนี่วัมองในแง่ที่จัดการมันไว้ก่อนแต่ลงไม่มีอะไรที่สงสัยที่พวงเคลียร์มาทั้งหมดนะวันนี้หลวงพ่อ ตอบอีกทีตรงที่หลวงพ่อให้ไปดูอะไรความคิดกับความรู้สึกตัวใครเป็นเจ้าของบ้านที่แท้จริงให้อยู่กับคนนั้นอย่าไปอยู่กับแขกเพราะแขกมันจะมากลายมาเป็นโจนได้เดีเมื่อเราเผลอเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเอกไปพิสูจน์ดูว่าจากการลุกตรงนี้จากการเก็บอาสนะเคลียพื้นนิดนๆที่ที่นีงตรงนี้ แล้วก็ลองกลับไปไปทำทุระส่วนตัวกลับมาเก็บใบไม้ที่ระบา ย, ย่างรู้สึกตัวผมพอจะให้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวมากลับมาสรุป ก, กันก่อนที่จะไปรับอาหารตกลงไหมโอเคเอ่ะตั้งใจ